ที่มันจะรบหัวรกใจก็ยิ่งทำให้ความขัดแย้งลุกลามมากขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งพูดดีฝ่ายหนึ่งก็เบร์เบรเหมือนกับเป็นหินเนี่ยสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจนะแยกทางไอ้ตอนที่แยกทางนี่ก็ไม่ได้บอกเองนะให้แม่ไปบอกเรียกว่าหนีปัญหาซ้อนหนีปัญหานะคือไม่ครบละผู้หญิงคนนี้แต่ว่าก็ไม่กล้าบอกเอง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 มันคือความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นมาเป็นความจริงที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกับพระที่ขึ้นทางที่ตอนออกแล้วก็ตกทางที่ตอนตกพอเขาควรวที่เข้าก็พบว่าในเมื่อมาเลงและความตายเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นแล้วเขาควรจะปฏิเสธแลวการที่เขาเนี่ยปฏิเสธมันเนี่ยมันฉลาดลหรือหรือ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 มีคนไว้ใจนะช่วยรับนะรับถ่ายเทไปถ่ายโอนไปก็ทำให้เขามีเวลาดูแลภรรยาเต็มที่แต่สิ่งสำคัญคือข้อที่สามนะคือฟังนะฟังแฟนสาวมากขึ้นฟังทุกอย่างนะทั้งความฝันทั้งความวิตกกังวล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 พอเห็นแบบนี้เขาเนี้นะมันเกิดความความประทับใจมากขึ้นเราเกิดความรักนะที่ลึกซึ้งแล้วก็กลายเป็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยนะมันกลับกระชับนั้นแล้วก็ดีขึ้นก็กลายเป็นว่าทั้งทั้งที่ฝ่ายหนึ่งป่วยนักแต่ว่าก็ต่างคนต่างก็อิ่มเอ้มนะอยู่กันมีความสุขกับชีวิต กับสภาพที่เป็นอยู่มีความสุขมากขึ้นไม่มีประโยชน์นีดที่ออกมานะจากการสนทนานของทั้งสองคนที่เขาเลอยฟังคือว่าประโยชน์ที่ว่าถ้าไม่เจอทุกข์ถ้าไม่เจอมะเร็งเราจะมีความสุขอย่างวันนี้ไหมคำ น, นี้มั น, มน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 ถ่ายออกมาอดีใจที่เห็นขี้นะอยู่ในโถส้วมเขาบอกว่าเนี่ยแค่เห็นขี้ของแฟนสาวนี่ก็มีความสุขแล้วแล้วอย่างอื่นมันจะทุกข์ได้ยังไงนะมันก็มีแต่ความสุขแ ต, แต่ละวันตลอดผ่านไปยังมีความสุขนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีความรักความจริงใจใกับกันและกันเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ความถ้าไม่เป็นมะเร็งนะ ถ้าฝ่ายยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาคงจะไม่พบกความรักที่บริสุทธิ์นะไม่ใช่ความรักกับภรรยาเท่านั้นนะแต่ความรักตัวเองด้วยพอรักภรรยามีเมตตาเขามันก็เกิดความรักตัวเองให้อภัยตัวเองแต่ก่อนชอบนะชอบซ้ําเติมตัวเองทําอะไรผิดกนะ็ซ้ําเติมตัวเองแต่ตอนหลังก็ให้อภัยได้อันนี้ก็น่าสนใจนะ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 ซึ่งแค่นี้มันก็ทุกพออยู่แล้ ว, ลวจะเกลียดกันไปทำไมก็กลายเป็นว่าเนี่ยขณะที่ผู้คนเนี่ยเกลียดชังกันนะเพราะเรื่องการเมืองหรือความเห็นที่แตกต่างนี่ก็กลับมีความร้า้คนเหล่านั้นคนรอบข้างทั้งที่เนี่ยความทุกเนี่ยมันก็รุนแรงนะแล้วก็ลุกลามมากขึ้นสุดท้ายก็ภรรยาก็จากไปแต่ว่า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 ซำจริงดีๆให้ให้กับคนรักหรือทําทำความดี้ใหกับกันและกันหลายคนหลายคู่เนี่ยพลาดโอกาสที่จะเห็นตรงนี้นะเพราะว่าเอาแต่คร่ำครวนนะตีโพยตีพายกลดาชะตากรรมทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นบางทีก็คิดถึงอนาคตที่เลวร้ายก็เลยได้เลยไม่ได้ หันมาตอนหนักว่าไอ้เวลาปัจจุบันนี่แหละนะมันเป็ น, นเวลาที่สำคัญละมันเป็นโอกาสทองนาทีทองซึ่งจะเหลือน้อยลงทุกทีเป็นโอกาสทองเป็นนาทีทองที่จะต้องทำความดีให้กับกันและกันให้เขาเห็นตรงนี้ไงเห็นตรงนี้ก็เลยเวลาเหลือน้อยแล้วนะแฟนสาวเนี่ย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 ปอดก็ทำงานได้ดีแต่โลกนี้เนี่ยแม้แต่ปอดนี่ก็ทำงานได้แค่สิบเปอร์เซ็นจะพูดจัจาก็ลำบากแต่เขาก็ยังสามารถที่จะใช้มือที่อยันขยับได้เล็กน้อยนี่เขียนนิยายนะขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวเป็นเสาหลักเลยล่ะพอน้องต้องเรียนหนังสือแม่ก็ตกงานก็พูดไว้ดีวบอกว่าความทุกข์เนี่ย มันให้อะไรกับเรามากกว่าความสุขนะความสุขทำให้เราฟุ้งทำให้ล่องลอยแต่ความทุกข์ทำให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความจริงซึ่งดีกับการฟุ้งล่องลอยมากนะที่เขาว่าเนี่ยอยู่กับความจริงเนี่ยก็คือมันทำให้เห็นเลยนะว่าความจริงนะของชีวิตเนี่ยเป็นยังไงอย่างที่อภารุลุ่มเนี่ยพอพอมองว่า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 ไม่ตระหนักนะว่าเวลาเหลือน้อยก็ใช้เวลาให้หมดไปกับความเศร้าความโกรธคนเราเท่าตระหนักว่าเวลาเราเหลือน้อยลงไปเนี่ยควรจะใช้เวลาเนี่ยที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ปล่อยให้หมดไปกับความโกรธความเศร้าความคับแค้นความเครียดความวิตกกงังวลนพวกนี้เรียกว่าใช้เวลาอย่างไม่ไ ม, ไม่ไม่มีคุณค่านะ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 ไม่ได้ทำอะไรเข้ามากเท่าไหร่อาจจะไปเพลินอยู่กับการทำงานหรือว่าไปสนุกสนานนะท่านคนเราถ้าทำความดีให้กับกันและกันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยถึงเวลาฝ่ายใด้แฟน่จะไปมันก็ทำใจได้ยอมรับได้มากขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างไม่เลยต้องเสียใจว่าไม่ได้ทำอันนี้เป็นตัวอย่างที่มาเล่าให้ฟังเพื่อเห็นว่าเนี่ย ให้ความทุกข์เนี่ยนะมันก็สามารถจะนําสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตได้อย่างกรณีนะสามีภรรยาคู่เนี่ยความทุกข์มันก็ทำให้เขาได้มาใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความรักกันมากขึ้นแล้วก็มีความจริงใจนะสามารถจะมีความสุขร่วมกันได้ ท, ทั้งดั่งที่นะความทุกข์กายเนี่ยมันก็